คนความสมมุติว่าเป็นผู้เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเธอกันจริงๆเป็นคนจริงๆเป็นผู้หญิงจริงๆผู้ชายจริงๆนีความสมมุติหรือความไปให้ความหมายและเป็นความความไปยึดถือยึดกันอย่างนี้จริงๆ แต่แล้วหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนไม่ได้ว่าอย่างนั้นรูปร่างเพียงแต่เป็นวิบากผลวิบากความดีความชั่วมันแต่งขึ้นมาเป็นรูปเป็นล่างแล้วอยู่ในฐานะความไม่เทีย่ยงปีเย็นไปทุกขณนะ สิ่งใดเปลี่ยนไปทุกขณะสิ่งนั้นก็ต้องแสดงความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวทุกขะเวทนาเจ็บไข้ได้ป่วยจนถึงที่สุดถึงที่สุดนั้นะอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้ว น, น, นี่คือสภาพความจริงแต่ความสมมุติพวกเราไปให้ความหมายว่าเราเราอยู่นั่นมันเป็นอะไรก็ไม่อยากไม่ยอมเป็นตามมัน มันเจ็บมายอมเจ็บตามมันมันเท่ามันแจ่มายอมเท่ายอมแจ่ตามมันโลกนี้เป็นอย่างนั้นจนไปให้ความหมายคำพูดทุกวันนี้พูดถึงความเท่าความแจ่แทบจะไม่มีคนเท่าคนแย่เดียวนียค่านิยมของค่านิยมของความสมมติในโลกนี้น่ะเขาไปเรียกคนเท่ า, ค, า, าคนแจ่เขาเรียกยังไงคนววยทอง คนสูงอายุไม่ยอมรับความจริงสักหน่อย <c oughs> ถึงจะเพี้ยนไปขนาดไหนความจริงก็คือความจริงฉะนั้นเรามาเรียนรู้สภาพความจริงซะว่าเอ้นี่มันเป็นวิบากดวงจิตดวงใจของเรามันมีบุญมีกุศลวาตนาบาลแลมีเกิดมาพบนี่ชาตินี้ ด้วยความเป็นบุญเกิดขึ้นมาจึงมีฐานะความเป็นสมบัติอย่างนี้เดี่ยวมนุษย์สมบัติแต่แล้วถึงจะเป็นสมบัติความสมบูรณ์เป็นบุญก็าตามแต่อยู่ในฐานะความไม่เที่ยงเป็นรูปเปลี่ยนแปลงไปจนถึงที่สุดอาการจึงมีความรู้สึกทางกายทางใจเราเจ็บปวดเหนื่อยเมื่ อ, อยหิวทุกข์เวทนา นี่สำหรับร่างกายที่จิตใจเราไปกังบบนส่วนนอกนั้นที่นี่ที่มันเป็นปัญหาเกิดขึ้นทางจิตใจอยู่ก็เพราะแรงริดของความโลภความโกรธความหลงตัณหา เป็นปัญหาน้อยมากทางจิตใจรวมความแล้วว่าพูด ก, กันทั่วบ้านทั่วเมืองว่าเครียดเครียดจัดๆแล้วเป็นยังไงทีเครียดมากๆแล้วเป็นยังไงทีนีนี่ก็รู้ๆกันอยู่ซึ่งลักษณะเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องศีลเรื่องธรรมสักหน่อยเนี่ย มันจะเรื่องผลวิบากฝ่ายชั่วเราสามารถที่จะหลีกได้เลี่ยมได้ทางจิตใจของเราฝึกฝืนทางจิตใจของเราให้เข้าสู่ระบบของความเป็นศีลเป็นธรรมฝืนหนีจากสิ่งเหล่านั้นเรื่องเหล่านั้น ฝึกฝืนลักษณะความเป็นศีลเป็นธรรมเราทำยังไงเรามากับทำใจของเราในขณะนี้เจตนาของเราเพื่อความเป็นบุญลักษณะของความเป็นบุญก็คือ ใจดีใจสบายใจดีใจงามใจแจม่มใสจิตใจดีงามมันเกิดความเป็นบุญเกิดความสดชึ่นลื่นเรลงยิ้มแย้มแจม่มใสภายในดวงใจจิตใจมีคุณค่ามีคุณภาพขึ้น ลักษณะอันนี้เราเรามาฝึกคืเนี่ยฝึกให้จิตใจของเราปล่อยวางเรื่องต่างๆปัญหาต่างๆน้อยมากที่เราหลีกมาหลีกมาแต่ร่างกายแจจิตใจไม่หลีกมันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรหลีกทั้งร่างกายหลีกทั้งจิตใจร่างกายเราหลีกมาแล้วฉะนั้นการหลีก เลเพื่อเข้าสู่ความสงบเพื่อเข้าสู่ความเป็นศิลปเป็นธรรมสปายยะสถานที่ตามถ้ำเงือมผาป่าเขาลุกกมูลลมไม้เป็นอริยะสมบัติของพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าของพระพุทธเจ้าที่บ่งประทานเอาไว้ประทานเอาไว้ให้บรรดาพวกพุทธบริษัท สุดท้ายภายหลังคือพวกเราเราทันๆจะานที่เช่นนี้ให้พวกเรามีความเชื่อมั่นมั่นใจว่าเป็นอริยสมบัติที่พระพุทธเจ้าประทานเอาไว้ให้ให้อาศัยให้ใช้ให้อาศัยด้วยความพอใจด้วยความเต็มใจ สมกับกุศลและเจตนาที่เรามาความตั้งใจที่เรามาเราตั้งใจมาด้วยความเต็มใจด้วยความพอใจเมื่อถึงสถานที่แล้วล้วก็เอาสถานที่ที่เป็นสปายยะนี่อยู่ด้วยความเต็มใจฝึกด้วยความเต็มใจฝึกใจที่ ให้ใจเป็นบุญเป็นกุศลฝึกวางเรื่องต่างๆทำใจของเราให้แจม่มใสจิตใจดีงาม <Ad olf. S 2> คําว่าใจแจม่มใสจิตใจดีงามเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้วางอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใจยิ่งจะมีความผ่องใสจิตใจยิ่งมีความดีงามอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่ฝึกฝึกแลให้รู้ด้วยและเห็นด้วย จใจใจจะดีก็เพราะทำความดีให้ใจจิตใจต้องการความสบายก็เราต้องทาความสบายให้ใจความดีอย่างอื่นเราศึกษามามากเราทามามากความสบายเรื่องอื่นเราทำมามาก สิ่งเหล่านั้นเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยไม่ใช่เป็นสาระมั่นคงถาวร อ, อะไรปัจจัยเครื่องอาศัยที่พวกเราแสวงหาพวกเรามีพวกเราใช้อยู่นั้นเพียงแต่แช่เป็นปัจจัยอาศัยเพื่อทำภารกิจที่เป็นประโยชน์ตนและบุคคลอื่น ฉะนั้นเดี๋ยวนี้เราอาศัยปัจจัยอันนั้นเป็นเครื่องอยู่โดยเฉพาะในขณะ น, นี้บัดนี้เรามาบำเพ็ญหรือมาฝึกจิตใจของเรามาบำเพ็ญความดีให้จิตใจของเราที่จิตใจของเราต้องการความดีต้องทําความดีให้ใจ ใจต้องการความสบายต้องทําความสบายให้ใจความสบายจะเกิดขึ้นครับปล่อยวางเรื่องต่างๆที่มันเป็นปัญหาที่จะปล่อยวางได้นึกถึงความเป็นธรรมสติธรรมวิริยณธรรมขันติธรรมปัญญาธรรม ปัญญาธรรมคือใช้ความฉลาดฉลาดของใจกุศโลกุศลาให้จิตใจมีความฉลาดฉลาดในการปล่อยการละการวางเรื่องต่างๆปัญหาต่างๆทางจิตใจเราใช้ความฉลาดเฉพาะใจความฉลาดอื่นความรู้อื่นเราศึกษาเรามีเราใช้เป็นประโยชน์ มามากต่อมากแล้วเดี๋ยวนี้เราจะใช้ความฉลาดในดวงใจของเราเลือกเลือกสิ่งที่เราไม่ต้องการใจไม่ต้องการอะไรที่มันมีอยู่ในดวงใจของเราในขณะนี้ความสับสนวุ่นวายความฟุ้งซ่านลำคาญเป็นทุกข์จนเกิดอาการความเครียดลักษณะนั้น เราใช้ความฉลาดว่าอาการเหล่านั้นมันเป็นพิษภัยของกิเลสทั้งหลายตัณหาทั้งหลายเรามาชำระล้างพิษภัยประเภทนั้นด้วยน้ำสินนำ้ำธรรมเราใช้ความฉลาดเฉพาะใจของเราความฉลาดอันนี้เป็นเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรานำปัญญาของพระพุทธเจ้านี้ มาใช้เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ของใจให้ใจของเรานำปัญญาของพระพุทธเจ้านี้มาใช้ใช้ภายในดวงใจของเราให้เจตใจของเราเข้าสู่ระบบของความเป็นศีลความเป็นธรรมศีลคือความเรียบร้อยดีความเรียบร้อยมีที่ใดมันจะเกิดธรรมคือความงาม อะไรเรียบร้อยใจใจเรียบร้อยฉะนั้นใจต้องการความดีก็ต้องสร้างความดีให้ใจสร้างความดีก็ทํำยังไงใจเรียบร้อยใจไปยังไงเรียกว่าใจเรียบร้อยตั้งสติดูใช้ปัญญาดูเออใจเรียบร้อยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใจวุ่นวายเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น ใช้ปัญญาเลือกเฟ้นฉะนั้นเรารู้จักเลือกเลือกตามลักษณะของความเป็นศิลปเป็นธรรมเพราะความเป็นศิลปเป็นธรรมนี่เป็นระบบที่สร้างความดีให้ใจเป็นระบบที่สร้างความสุขความสบายเป็นระบบที่สร้างความสุขความเจริญความปนทุกข์ให้ผู้ปฏิบัติ พระพุทธเจ้าเป็นสยามปูตรัสรู้เองชอบแล้วพระองค์ก็ผ่านพ้นปัญหาทางจิตใจลักษณะนี้แหละและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งอดีตทั้งปัจจุบันที่มีอยู่ทั้งก็ผ่านพ้นจากปัญหาที่มีอยู่ในจิตใจขอยงเราแบบเดียวกันจากนั้น พระพุทธเจ้ารู้แล้วจึงได้มาสอนพวกเราว่าทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้วิธีแก่วิธีชําระปัญหาทางด้านจิตใจต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือว่าทําอย่างนี้ให้อยู่ในระบบของความเป็นศีลเป็นธรรมอย่างที่ว่าดูสิ่งที่เกิดขึ้นทางจิตใจความเป็นศีลต้องดูลักษณะ ความเป็นธรรมก็ต้องดูลักษณะลักษณะของความเป็นศีลตัวอย่างที่ว่าศีลคือความเรียบร้อยความเรียบร้อยมีที่ใดมันเกิดธรรมคือความงามธรรมนั่นคือความงามความงามนั่นเป็นธรรมใจดีใจงามใจดีใจเรียบร้อยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มาก ค, คือเครื่องแตง่แล้วแต่แล้วนึกแล้วฝึก ปฏิบัติคือฝึกเดี๋ยวนี้เราฝึกใจของเราฝึกการละการปล่อยการวางฝึกจิตใจของเราให้เข้าถึงลักษณะของความเป็นศีลเป็นธรรมธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราฝึกจะลักษณะไหนตัวอย่างที่ว่าให้ฟังเบืกแรกนมื่นนะ่ะวริยะธรรมความเอาใจใส่ความภาคความเพียรตติธรรมเอาตัติ ดูจิตดูใจของเราด้วยเอาจิตใจของเราสติจดจ่อจิตใจใจของเราให้อยู่ในลักษณะความเป็นศินอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ความเป็นธรรมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ฉะนั้นความเป็นศินเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานาไว้เพื่อเป็นการฝึก โดยเฉพาะฝึกการตั้งสติสติของเรานี่จะเผอไม่ได้เราจะดูจิริยาอังความเป็นศีลก็ดีดูจิริยาอังความเป็นธรรมก็ดีต้องอาศัยสติโดยสติธรรมสตินี่ในขณะที่เราหลับตานะั่นนะให้ปรากฏ ความรู้เด่นอยู่เฉพาะตรงหน้าของเราเรียนเรื่องสติลักษณะของสติหลับตาอยู่แต่มันรู้ตรงหน้าของเราทามันเด่นอยู่เฉพาะตรงหน้าของเราเรีย ว, ว่าสติมุก ข, ขังดํารงสติเฉพาะหน้า เพราะความรู้ด้านจิตใจที่เราใช้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันใช้ออกทั้งส่วนหน้าเนี่ยมากตาไปอยู่ตรงหน้าหูจมูกเลนความสัมผัสฉะนั้นความรู้ที่ใจออก ที่มีสติเป็นเครื่องระลึกนี่ส่วนหน้านี่เด่นที่สุดถ้าเราตั้งสติไว้เฉพาะหน้าสติอยู่ตรงไหนจิตใจเมื่อกีอยู่ตรงนั้นรู้จิตใจเป็นเครื่องรู้ใจใจเป็นเครื่องรู้สติถ้าสติเผลอเผลอสติกลืมใจ เริมใจก็เลิมลักษณะของความเป็นศีลเป็นธรรมศีลคือความเรียบร้อยศีลคือความปกติดีปกติกายปกติใจดูความเรียบร้อยของใจก็ดูความปกติดีของใจจิตศีลคือความปกติกายปกติใจใจปกติเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ ใจไม่ปกติเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นดูภายในกิริยาของใจเรามาเรียนหรือมาทบทวนทบทวนความเป็นศีลเป็นธรรมเพื่อฝึกทบทวนความเป็นศีลเป็นธรรมเพื่อนำเข้าปฏิบัติเพื่อนำมาปฏิบัติ กายของเราก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีปัญหาวาจาก็เรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาใจที่เนี่ยมันเป็นเครื่องเจ็บสะสมอปัญหาต่างๆอารมณ์ต่างๆปัญญาต้องเลือกเลือกเลือกเลือกเลือกเลือกเฟ้นอารมณ์ที่เรื่องไม่ใช่เรื่อง เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็รู้เอออารมณ์ประเภทนี้เป็นอารมณ์ที่มันเป็นภัยเลือกเฟ้นด้วยปัญญาชอบเกิดขึ้นแล้วมันดับไปเกิดขึ้นแล้วมันดับไปมันผ่านไปอย่านำมาเป็นอารมณ์ของใจเกิดแล้วมันดับเกิดแล้วมันผ่าน ถ้าใจรู้ตัวรักษาตัวอยู่อย่างนี้ก็ได้ชือว่าใจมีปัญญาใจมีสติรู้จักเลือกเฟน้นอารมณ์ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์และในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์อารมณ์ข้องความเป็นสินคือลักษณะอารมณ์ข้องความเป็นธรรมก็คือลักษณะลักษณะที่มีสติธรรมอยู่เดียวนี่ เป็นลักษณะของธรรมลักษณะของสมาธิธรรมคือความสงบจิตใจหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ลักษณะเหล่านี้ก็เป็นลักษณะของใจมีกําลังใจมีสมาธิสมาธิคือความหนักแน่นจิตใจหนักแน่นจิตใจไม่หวั่นไหวจิตใจหนักแน่นกิริยาอย่างนี้เป็นกิริยาที่เราฝึกให้ใจของเรา มีสมาธิจิตใจฝึกที่มีสมาธิอย่างนี้ท่านนึงสอนให้มีคำบริกรรมมาเป็นส่วนประกอบเราจะบริกรรมตั้งสติบริกรรมพุโทโธพุธโทโธมาเป็นส่วนประกอบ สติก็หนักแน่นมั่นคงอยู่กับคำบริกรรมนั้นอย่าเผลอหรือใครที่เคยได้เอาอารมณ์อาณาปานุตติโดยกำหนดดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกที่เคยฝึกอย่างนั้นก็เอาลมนั้นเป็นที่ตั้งของสติ ให้จิตใจหนักแน่นให้ส ต, ติหนักแน่นอยู่กับอารมณ์อ น, นันดูลมอ น, นั้นส่วนมากแล้วจมาใช้คำบริกรรมบริกรรมทางจิตใจนึกพุโทโธพุธโทโธเป็นหลักดูความเข้มแข็งของสติดูความเข้มแข็งของการตั้งใจความเข้มแข็งการตั้งใจเรียกว่าวิริยะ ควมภาคควมเพียนทางจิตใจจิตตะเอาใจใส่เอาใจใส่ดินที่มีสติสติมีในใจใจมีสติเมื่อใจมีสติสติมีในใจแล้วเกิดคุ ณ, ณธรรมสัมประชัญญารู้ตัวรู้ตัวรู้จิตรู้ใจรู้อารมณ์ของใจ เรารักษาจิตใจของเราให้อยู่ในอรมความเป็นศิล เ, เป็นธรรมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นโดยเฉพาะที่เรามุ่งต่อความสงบคำบริกรรมนึกโพทโทพโธอยู่ฉะนั้นที่ฝึกปลูกความสํานึกของสติให้สติเข้มแข็งขึ้น อย่าไปเผลออย่าไปดูสติที่อื่นกําหนดความรู้เฉพาะตรงหน้าเผลอตรงนี้ไม่ได้ถ้าเปิดแล้วจะเกิดความง่วงเหงาเหงานอนเสื่องซึมตั้งสติความรู้อยู่เฉพาะหน้าในขณะเดียวกันแล้วความรู้อยู่เฉพาะหน้าเนี่ย และการคำบริกรรมมึองเราถ้ามีส ต, ติรู้ ร, รู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวอยู่มันก็เจียวเนื่องถึงใจต่อเนื่องกันเจียวเนื่องกันฉะนั้นการปฏิบัติการฝึกอย่างนี้คือฝึกใจของเรา ฝืนจากอารมณ์ฝ่ายตำ่ำความเน็ดเหนื่อยเมื่อหิวทุกขะเวียนาฟุ้งซ่านลำคาญอะไรก็าตามแต่อันนั้นเป็นอารมณ์ฝ่ายตำ่ำเราฝึกเราฝืนยังไม่ได้ยังไม่มีกำลังชนะมันก็ให้ได้ในวิถีของปัญญาทติปัญญาอารมณ์ประเภทนั้นเกิดขึ้นอยา่า อย่าไปตามใจให้ใจตามอารมณ์ประเพณนั้นมาเป็นปัญหาจนเกิดความลำคาญเกิดความเบื่อหน่ายในการฝึกเกิดความลำคาญในการฝึกถ้าเกิดความลำคาญความเบื่อหน่ายการฝึกอันนั้นเป็นกระแสของกิเลสตัณหาอย่างสมบูรณ์แบบแล้วและก็ให้พึงรู้เถิดว่า เราฝึกความเป็นธรรมเป็นศีลเป็นธรมนธรมนี่กับระบบของกิเลสตัณหานั้นมันเป็นคู่ปลปักกันกิเลสตัณหามีอำนาจครองใจมันไม่อยากจะให้จิตใจของเราเข้าหาความเป็นศีลเป็นธรรมมันเป็นคู่แข่งอยู่ตลอดฉะนั้นความที้เกียร์จี้คานอ่อนแอหล่อและฟุง้งซ่านลำคาญเป็นกิริยาของอ กิเลสเป็นกิริยาของตันหาฝ่ายต่ําที่มันมีกําลังกอมจิตกอมใจของเราให้หลงไหลไปตามกระแสของกิเลสฝ่ายต่ํำนี่ไม่อยากจะให้จิตใจของเรามีกําลังมีกําลังของศีลมีกําลังของธรรมมีกําลังของสติธรรมมีกําลังของวิริยะธรรม จันนั้นรู้จากกิริยาของความเป็นศีลเป็นธรรมเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราฝึกเราฝืนฝืนหนีจากเรื่องเหล่านั้นอารมณ์ฝ่ายต่ำจันนั้นทำคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทไม่ได้สอนที่อื่นสอนลงกายกับใจของเรานี้เท่านั้นพะใจของเราเดี๋ยวนี้ ถ้าอยู่ในระบบของความเป็นศีลเป็นสมาธิมีสติมีปัญญาแล้วกำลังส่วนนี้มีพอประมาณมันจะเห็นคุณค่าคนค่าของจิตใจด้วยกำลังของศีลของธรรมนี่จิตใจนี้จะเห็นคุณค่าแบบที่สันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติ ภายในจิตใจดิโอจิตใจมีศีลมีธรรมมีสติธรรมมีสมาธิธรรมแล้วมันทําให้จิตใจของเรามีความสดซึ้งลื่นเริ ง, งยิ้มแย้มแจม่มใสเย็ยนอกเยน็นใจมีความสงบอ บ, อ, บ, อ, บอุ่นทางจิตใจอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันเห็นมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่จิตใจมันเห็นคุณค่าในลักษณะนั้น นอกจากนั้นแล้วจิตใจเข้าสู่ความเป็นสมาธิมีสติมีปัญญาเลือกเฟ้นเรื่องต่างๆเหมือนอย่างพระอริยเจ้าหรือพระพุทธเจ้าถึงที่สุดแห่งความบริสุทธิ์ของจิตใจเหมือนอย่างพระอริยเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายประเสริฐสุด ทั้นั้นพวกเรายังไม่ถึงขั้นตอนนั้นแต่วิถีที่เกิดความสุขพื้นพื้นความสุขจากความเป็นศิลปเป็นธรรมสมาธิทำอย่างน้อยๆก็ได้สมาธิทำอย่างอ่อนๆ อ, อ, อย่างพื้นพื้นเป็นกําลังใจไว้ก่อน พอเรียกจับประเด็นว่าความดีของจิตใจความสุขแบบธรรมชาติของศีลของสมาธิเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หามันได้เงื่อนไว้ก่อนก็ยังดีวนวายจนหาความดีไม่เจอหาความสงบสุขทางจิตใจไม่ไม่มีในขณะจิตแล้ว จิตใจในลักษณะที่เป็นปัญหามากๆอย่างนั้นระหว่ามโนวิบัตไม่ใช่มโนสมบัติมโนหมายถึงใจมโนสมบัติคือจิตใจมีความสมบูรณ์อยู่กับความดีมีความสุขทางจิตใจพอประมาณความดีทางจิตใจพอประมาณเห็นคุณค่าความเป็นสมบัติ เช่มั่นหนักแน่นว่าความเป็นสมบัติในความเป็นมนุษย์นี่เป็นสมบัติเริ่มต้นเบื้องต้นเราควรจะสนับสนุนสมบัติเบื้องต้นอันนี้เพิ่มปริมาณความเป็นสมบัติอันนี้มากขึ้นไปด้วยการฝึกความเป็นศีลเป็นธรรมให้เกิดความเป็นบุญนี้อย่างน้อยๆให้มันมันเห็นคุณค่าของความเป็นสมบัติมากขึ้นไปกว่านี้แล้วก็ สวรรค์สมบัติเกยรตใจดวงนี้แหละเข้าสู่ความสงบความเอื้เอมปีติยินดีในความเป็นศิลปอเป็นศิลปเป็นทานการบุญการกุศลแต่และอย่างแต่และอย่างเราทําแล้วมากน้อยขนาดไหนเรามีความปีติมีความยินดีความพอใจในความเป็นศิลปเป็นทานเป็นบุญเป็นกุศลโดยเฉพาะการนี้เวลานี้ เป็นการเป็นเวลาที่พวกเราจะมีความสำนึกแบบครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นอนุสร์เครื่องระลึกครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งนี้เป็นอนุสร์เครื่องระลึกว่าเราได้มาฝึกความเป็นศีลเป็นธรรมมีความภูมิใจพอใจ การเวลานอกนี้นอกนั้นเราฝึกทั้งอื่นเราคิดทั้งอื่นจนอายุผ่านมาขนาดนี้สมบัติที่จะเป็นเครื่องตอบสนองจากการเสียสละมันก็มีเพียงแค่เป็นปัจจัยที่พวกเรามีอยู่แล้วนั้นจะมันมากขึ้นไปกว่านั้นมันเป็นไปไม่ได้ ฉะนั้นเรื่องจิตใจที่จะเห็นคุณค่าของศีลของธรรมการเวลาที่พวกเราเสียสละมาให้กลายเป็นอนุสรณ์เครื่องลึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จิตใจจะเข้าถึงเข้าถึงความเป็นสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเป็นครั้งหนึ่งในชีวิต เป็นทั้งที่มีคุณค่าฉินัันพานเข้าใจเมื่อเทศนาธรรมมาถึงตรงนี้เห็นว่าพอสมควรเจ่เวลาจึงขอยุติยไว้เพียงแค่นี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่พวกเราทุกท่านโดย